ปาราชิกสิกขาบทที่6ถามภิกษุณีผู้ปกปิดโทษปกปิดโทษไว้ต้องอาบัตเท่าไหร่ตอบภิกษุณีผู้ปกปิดโทษปกปิดโทษไว้ต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. รู้อยู่ปกปิดธรรมคือปาราชิกต้องอาบัตปาราชิก 2. สงสัย ปกปิดไว้ต้องอาบัตทุนลใจ 3. ปกปิดอาจาระวิบัติต้องอาบัตทุกกฎภิกษุณีผู้ปกปิดโทษปกปิดโทษไว้ต้องอาบัตสามอย่างเหล่านี้